เขตในที่ประชุมสงฆ์วันที่ 2 กันยายน 2505ณวัดต่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีผู้เป็นหน้ากำลังทางด้านจิตใจหรือได้ก็ตึกขึ้นเตือนใจของตนประมาณในเวลาอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์ได้ออกหาความสงบคือ ในที่แห่งใดท่านมีเป็นเวลาทุกราวแล้วเข้ามาถูกวงครูบาอาจารย์พวกการศึกษาก็ได้อุปาณิคมแล้วก็ออกหาที่งัดวิเศษเมื่อเกิดข้อข้องใจทําส่วนใดขึ้นมาก็รีบเข้าไปศึกษาจากท่านมีการถกเถียงออกอยู่โดยที่นี้ก็ได้อุปาณิคมโดยลําดับ อุปติกาถูกบาอาจารย์ไปทั้งทั้งที่จิตใจของตนยังไม่มีความแน่นอนทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาผู้เช่นนี้ก็ไม่สามารถนําตัวให้ปลอดภัยไปได้ทั้งในการมารับการศึกษากับท่านคืนเป็นผู้มีกิฏคอยสม่ําเสมอทั้งทางตาที่ก็คอยสอดส่องมองดูอาคติดีอย่าง การกระทำของท่านและหมู่เพื่อนด้วยความถึงใจจริงๆทางหูก็พยายามศึกษาด้วยความเคารพเข้าใจจากท่านณหมู่คณะขออุปตนกติสอนใจได้มีความพยายามต่อสู้อยู่เช่นนี้คือว่าผู้มาศึกษาและจนาสติปัญญาเป็นเครื่องค้ำสอนตนเองในการขนากแม้อาจารย์หลวงหมู่คณะที่ตนถือว่าเป็นที่เคารพ <c oughs> เมื่อกะไปถือตนได้จากท่านไปแล้วคุณธรรมที่ตนได้รับจากท่านมาตนเพ่งพ้อภายในจิตใจนี่แหละเป็นปณิธานแทนท่านแน่สนิทอยู่กับใจของเราเวลาเรามาศึกษาจากท่านจุดธุระก็ไม่มีอันใดนอกจากปฏิยามอดทนคนโดยทางเดียวเท่านั้นส่วนมากผู้เอาตัวตนไม่ได้ เนี่ยกับวิรามาอยู่กับท่านไม่มีความสงสัยอย่างจริงจังเดิมต้นก็ตั้งใจมาศึกษากันต่อมาเพราะอํานาจของตัวโดยดาษจากความแตกร้างเท่ากว่าสิ่งในหัวใจความตั้งใจนั้นก็เริ่มเริ่มหลายแต่โดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่ามาอยู่กับท่านพอเป็นที่เป็นนามแล้ว อุปกรณ์ของครูบาอาจารย์ไปขายกุญก็มีมากมีไม่มีตระเวนทะลายนอกจากจะทําให้หมู่เพื่อนนักศึกษาครูบาอาจารย์ไปหาไปเที่ยวเท่านั้นฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดจําไว้ผู้ที่ลงมาศึกษากรุงกรุงท่านพูดอะไรหรือเห็นปัญญามายาอย่างใดที่ท่านแสดงออกมาต้องเข้าถึงภูมิ กฎไร้เป็นหลักฐานทันทีไม่ยอมให้ผ่านไปต่อกล่าวนี้คือว่าผู้มาศึกษาก็มุ่งประโยชน์แท้ส่วนมากผู้มาอยู่กับท่านออกไปแล้วเกิดความท้ออายทั้งกําลังใจก็ไม่มีแม้ต่อความกังวลถึงตัวเองตลอดนี่เพื่อนด้วยกันมุ่งจากมาศึกษาลืมความปรารถนาหรือเจตนาเบื้องต้นของตนไปเสียเรื่องจึงเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่าง พึงครูปรึกษาจากท่านคืออาจารย์มั่นของเราเมื่อไปถึงสถานที่อยู่ของท่านแล้วไม่กําหนดถึงนิสัยของท่านให้สมเจตนาที่มุ่งไปพอได้ยินเสียงวิหะดังเล็กน้อยนี่สร้างความสําคัญขึ้นในใจตนเองว่าท่านตรุดให้มั่น 2 ว่าท่านสงกรานแห่งที่อยู่ดัง 3 เกิดความกลัวในท่านบ้าง ตัวว่าท่านนั้นน่าเลื่อมใสกับความเข้าใจว่าท่านเป็นทางแห่งนิพพานบ้างแล้วก็เป็นนี้ไปครอบความรู้เขาเป็นศาสดาตรัสพระพุทธเจ้าเมื่อไปแล้วแทนที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเลยกลายเป็นเรื่องเวรกรรมไปเสียพาลพึงทะลงนิดเชื่อว่าท่านเป็นธรรมจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจในคําพูดตาเสียงหนักเสียงเบา เสียงค่อยเสียงแรงต้องสังเกตเหตุผลจากคำพูดเป็นของสำคัญคำพูดที่ท่านพูดออกมาทุกๆคำนั้นมีเหตุผลพอที่ผู้ศึกษาจะได้รับรู้หรือไม่ถ้ามีเหตุผลแล้วแสดงว่าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยธรรมควรยึดมาเป็นปฏิทันทีเพียงเสียงไม่เป็นของสำคัญอะไรเพราะฟ้าร้องบนอากาศยังมีเสียงดังมากยิ่งกว่าเสียง ครูบาอาจารย์เป็นไหนๆแต่เวลาฝนตกลงมาทําไมถึงเย็นเล่านี่เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านต้องมีความฉลาดปฏิบัติต่างๆที่จะมาแนะนําตั้งตนบรรดาลูกศิษย์แต่ละหลายหลายทําไมถึงท้ํากันเพราะนิสัยของผู้มาศึกษามีจํานวนมากและต่างๆกันถ้าท่านจะวางมารยาทกําพูดคําจาโดยทางเดียวแล้วได้ ผู้มาติดตามรู้ความตั้งใจเพื่อรักคืออยู่กับท่านก็ไม่เห็นจะรู้ความประโยชน์ฉลาดเท่าที่ควรเนื่องจากครูบาอาจารย์ไม่มีความฉลาดสามารถจะแนะนําบรรดาศิษย์ทั้งหลายให้ตรงกับประดิษฐนิสัยของศิษย์นั้นๆเช่นเดียวกันในแพทย์ที่ไม่ฉลาดสามารถจะยังโรคที่มีอาการต่างๆหายได้โดยยากเพียงแต่ทราบว่าโรคเท่านั้นไม่สามารถจะทราบว่าเป็นโรคประเภทใด เพราะโรคพิษเกิดในสัตว์และบุคคลมีจํานวนมากมายจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ยาจึงต้องมีหลายขนาดสําหรับนายแพทย์พุทธราชที่จะนํามารักษาโรคนั้นๆใครจะโรคอะไรก็ตามมาหาแพทย์แพทย์ก็นํายาขนาดเดียวเท่านั้นไปรักษาแล้วยาจะทันกับโรคได้อย่างไรถ้าเป็นโรคที่ควรรับยานั้นอยู่บ้างยาก็จะตรงประโยชน์แต่ถ้า โรคประเภทใดที่ไม่เกี่ยวกับยาขนานนั้นแล้วยาขนานนั้นต้องผิดอะไรกับน้ําธรรมดามลดาหรือวัตถุธรรมดาถ้าเป็นในแถบที่ตลาดเมื่อคนไข้เข้ามาหาต้องถามว่าท่านมีอาการอย่างไรถ้าสมุฏฐานของโรคว่าเป็นมาอย่างไรต้องถามให้ละเอียดเมื่อคนไข้เล่าอาการของโรคให้ฟังเท่านั้นหมอไม่จําเป็นจะต้องถามว่า ท่านเป็นโรคเพื่อที่ชื่อวงรามของโรคไม่เป็นของสําคัญสําคัญที่อาการของโรคเป็นอย่างไรมีอาการเจ็บปวดที่ไหนเพียงคนไข้เราเอารายกังให้หมอฟังเท่านั้นหมอก็ทราบทันทีพร้อมทั้งนํายารักษาเตรียมทั้งนํายามารักษาคนไข้นั้นๆให้หายไปเสียได้นี่ลักษณะของนายแพทย์ที่ฉลาดต้องถามอาการของโรคให้ชัดเจน เราควรนํายามารักษาให้ถูกต้องกับโรคนั้นๆโรคต้องเบาลงหรือหายไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาคนไข้ต้องผ่านทางการแพทย์มาก่อนไม่มากก็น้อยดีกว่าการตั้งตัวเป็นหมอก่อนเรียนวิชาแพทย์คนไข้ที่มาอาศัยจะไม่ผิดหวังทั้งประตนประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านนี้ ถ้าเป็นหมอแบบกลุ่มเดียวจะไม่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้และไม่ผิดเผื่ออะไรกับคนธรรมดาซึ่งเมื่อได้เป็นหมอทั้งเป็นอันตรายแก่คนไข้เป็นจํานวนมากด้วยเรื่องของครูบาอาจารย์ก็มีลักษณะคล้ายๆกันถ้าไม่มีความฉลาดสามารถปฏิบัติต่อบรรดาภิกษุมาศึกษาได้แล้วแค่มาหาก็วางมารยาทอันเดียวคําพูดทั้งหมดเดียวกันหมดถ้าว่าธรรมะก็โทษอย่างนั้นเท่านั้น ยกขึ้นปฏิญาบาติโยคาคถานิยมวันไหนก็ยกขึ้นบทนั้นบาตินั้นคถานั้นแต่ว่าอย่างนั้นอธิบายว่าอย่างนั้นเท่านั้นใครจะมาคิดการรถเรื่องอะไรก็ไม่สนใจใครจะมีความไม่รู้ถึงต่ําขนาดไหนพอจะถึงในท่านสมาธิหรือท่านปัญญาอย่างยามอย่างกลางและอย่างละเอียดตามขั้นของสมาธิและท่านปัญญาอาจารย์ไม่เคยเห็นใคร ตนจะดบเดียวบัดเดียวภาฐานเดียวเท่านั้นผู้ทุ่มเทมาอาจารย์องค์นี้จะไม่สามารถนําบรรดาจิตให้ได้ผลประโยชน์ผลเจตนาคืออุตสาหะพยายามมาพึ่งพิงอยู่ในไสกับอาจารย์องค์นั้นๆแต่ถ้าอาจารย์ตนผู้ฉลาดแล้วต้องทราบทั้งความรู้ทั้งอัตถิญาไสทั้งบรรดาปุมาจิกาว่ามีความรู้และนิสัยอย่างไรด้วยมีธรรมหนักหนําในที่ไหน ตลาดถึงธรรมะจะต้องมีการศึกษาปรากฏและตลาดซึ่งกันในการแม้จะไม่ทราบรู้อย่างก็ต้องทราบด้วยวิถีสันนาว่ามีความรู้แค่ไหนทางด้านจิตใจและต้องปฏิบัติให้ถูกกับเจตนิสัยของผู้มาศึกษานั้นๆผู้มีต้องปฏิบัติด้วยอย่างนี้คนนั้นต้องท่านอริยาภายยากด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นตามความรู้ความฉลาดของผู้มาศึกษาซึ่งไม่เหมือนกัน ผู้ถ้าตรงเรื่องของอาจารย์ผู้ฉลาดและเข้าใจในอรรถธรรมทั้งรู้ความลึกซึ้งแห่งธรรมมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ที่มาศึกษาไม่ได้พิจารณาพอเห็นกิริยาคำพูดของท่านสูงบ้างต่ำบ้างค่อยบ้างแรงบ้างเลยมายึดเอาเสียงนี้เสียว่าเป็นตัวที่หิรตัวตัณหาและถือว่าเป็นค่าสิทธิ์กับตนเองแนะนํายังเห็นว่าครูบาอาจารย์เป็นศัตรูอย่างหนึ่งซึ่งจะกัดถีบเอาไปเสีย แล้วก็ผินไปด้วยความโง่ของตนที่ถูกวนคิดดูคล้ายๆตั้งแต่นายแพทย์ผิดยาสมแทงเราก็ยังรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนตามลึกของยาและเถินซึ่งมีพิษต่างๆกันโรคบางรายที่ต้องผ่าตัดโรคบางรายเพียงรับการยาก็หายโรคบางรายต้องกลับผิดและผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกตามวิธีการของแพทย์ เป็นมีมากอย่างต่างๆกันแต่จะเป็นวิธีใดก็ต้องทําให้ตรงกับเรื่องของโรคเพื่อให้หายเท่านั้นโรคที่ควรรับทานยาก็ต้องรับทานโรคที่ควรผูดก็ต้องผูดโรคที่ควรตัดกากน้อยก็ต้องทําตามความหนักเบาของโรคและสมุฏฐานของโรคโรคเป็นอยู่ที่ตรงไหนควรจะทําอย่างไรน่าแพทย์ต้องทราบโดยทอด <c oughs> ไม่ทั้งนั้นแต่นักษาคนไข้ไปไม่ได้คืนนี้เราลองจะถามดูตามดวงคณยาบาลและฐานคลึงต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างพอเราทานทั่วไปก็จะทราบได้ว่ามีคือการของนายแพทย์ปฏิบัติต่อคนไข้นั้นๆไม่จะไม่เหมือนกันปฏิบัติต่อคนไข้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งตลาดมรรยาทอัธยาศัยอันดีงาม ซึ่งเป็นเอตขนาดหนึ่งที่หมอจะควรปฏิบัติต่อคนไข้ทุกทุกรายไม่ตามรอยกันเพราะคนไข้มีหลายประเภทแต่ให้คลี่วนเป็นอย่างเดียวกันสําหรับโรคที่เกิดจากคนไข้มีแตกต่างกันเป็นจํานวนมากมายแต่ท่านเอาแค่ผู้สามารถไปรักษาโรคให้หายนั้นต้องเป็นผู้ที่สามารถทันกับโรคของคนไข้ที่มารับยา <c oughs> ธาตุบังยางก็ต้องมีหนักบ้างเบาบ้างค่อยบ้างแรงบ้างหรู้งบ้างต่ําบ้างตามจะดินิสัยธรรมองค์ธรรมฉลาดมากร้อยของผู้มาศึกษาแต่จะเป็นธรรมประเภทใดถึงสามารถเป็นยาแก้โรคหัวใจคือโรคที่อาพาธให้เบาบางและหายสนิทจนเป็นจิตที่มีสติคิดโทษขึ้นมาทั้งดวงเช่นเดียวกับนายแพทย์ที่ฉลาดรักษาคนไข้หาได้ยากโดยวิถีต่างๆฉะนั้น เรื่องทั้งนี้ต้องเป็นหน้าที่ของนายแพทย์ทุกกรณีไม่ใช่ฐานะของคนไข้จะมาบังคับบัญชานายแพทย์ให้เป็นไปตามใจของตนหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะแนะนําสอนบรรดาศิษย์ที่มาศึกษากับท่านถ้าเป็นอาจารย์ผู้สามารถจะนําพระศาสนาและบรรดาศิษย์ให้เจริญรุ่งเรืองได้แล้วใกล้ต้องเป็นไปตามแนวทางอันเดียวกันกับนายแพทย์ผู้รักษาคนไข้โดยไม่ต้องสงสัย ธรรมะ 80,000 พระธรรมขันธ์ทั้งนี้ล้วนแต่สืบจากอุปาบัติคือความฉลาดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมอเอกรักษาโรคภายในใจของมรรคาษให้หายได้นอกจากนั้นยังกลายเป็นคุณธรรมดีที่เป็นกำลังมากผู้ใดนำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติด้วยความด้วยความลุ่มใส ตามกําลังธรรมะของตนเมื่อไปอยู่ในคฤหัสถ์ก็พอเป็นพอไปในสมบัติถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเจ็ดคราทํางานเพื่อหารายได้ทั้งรัฐบทและคฤหัสถ์ตามสมควรแก่เพศของตนถ้าคิดถ้าพุทธศาสนาถ้าตนอยากขาดแคลนในเครื่องอุปโภคบริโภคและดําเนินการครองชีพไม่ทันเถิดจะเห็นได้เช่นผู้แสวงหารายได้ไม่เพียงพอ ต่อการส่องคิดรู้นักตรวจทําตนให้ขัดความลุ่มใสและทั่วถือไม่ใช่เป็นเพราะพระภิกษุหลาสอนให้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเพราะเป็นด่านเกิดจากเขาพูดชอบเองแล้วทําตัวให้เป็นอย่างนั้นต่างหากถ้าผู้สนใจใคร่ตอบพระโอวาทแล้วอย่างน้อยต้องทําล้มลงในตนณข้อเทียว <c oughs> อยู่ที่ไหนไปที่ใดยอมเป็นผู้อยู่ใต้สนรงไม่เป็นที่แห่งเกลียดยังมีเพื่อนและสังคมทั่วๆไปทั้งเป็นที่เผื่อถือของประชาชนไม่มีใครระแวงสงสัยเพราะมีทําในกันเช่นเดียวกับพุ่มเครื่องดื่มเครื่องน้ําตาลไว้คอยต้อนรับคนทุกได้ที่เข้ามาอาศัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะ 84,000 ก็ธรรมขันธ์จึงสร้าง เป็นเกี่ยวกับตัวยาที่นายแพทย์นํามารักษาคนไข้ซึ่งมีต่างกันโรคหัวใจผิดที่เกิดของคนลักษณะมีมากมายเทียบกับคําว่าคนไข้คําย่อเมื่อแยกประเภทของโรคจากคําว่าคนไข้แล้วไม่รู้ 100 ที่พันโรคคําว่าโรคหมายถึงโรคที่เกิดเครื่องบีบบังคับจิตใจ ก็มีอุปธิต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาตรเดียวอย่างไรก็ไม่ทันกับโลกที่เดือดอาตวะที่เป็นไปอยู่อย่างแน่นหนาถ้าในใจของสัตว์ที่มีเปื้อนโรคนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเพ่งตามองเห็นแต่ใจมองไม่เห็นหูได้ยินแต่ใจไม่รู้เรื่องจึงควรให้นามว่าโรคนี้ 8 ด้าน โรคมืดกระทบ 8, 8 ด้านนามว่าโรคที่เรียกตัณหาอาสวะเพราะเวลากิเลสไปเข้าถึงหัวใจแล้วมันมืดไปหมดสามารถทานได้ทั้งคนและผัดไม่ลือดหน้าว่าเป็นใครแม้มนตราดุด่าผู้บางเปิดเค้ายืนมาแต่วันก็ปื้ดทานในวันหนึ่งกี่ตกไม่ทราบแล้วแต่ความดันของลูกที่เกิดมันสูงขึ้นมากน้อย ด้วยความดังของโรคมันสูงขึ้นมากก็ทําความทั่วได้มากและจะทําได้วันยังค่ําคืนยังรุ่งไม่มีความอิดนานอาการต่อการทําความทั่วเพราะความดังของโรคมันสูงสุดๆเมื่อรอดไม่สามารถจะวัดมากคุณนายแพทย์ทุกคนต้องดําเนินต่อโรคโรคนี้ทั้งอธิบายเทคนิคให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องมาอยู่กับธุวาจารย์อย่าไป สำคัญในการพูดจากิริยามารยาทสงบให้ยึดในหลักเหตุผลเป็นของสําคัญคงมุ่งต่อหลักเหตุผลจะได้ทําอันนั้นเข้าเอาไว้ครองหัวใจของตนเมื่อจะจากครูบาอาจารย์ไปแล้วก็พอจะพยุงตัวได้กลายเป็นผู้เจริญศึกษาศีลศาสนาจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นําในการทั้งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไป ข้อความครลาดแล้วครอบแล้วลึดหลับไม่ได้ในกราวอาศัยอยู่กับท่านก็มาศึกษากับท่านยังไม่ได้อะไรเป็นคติภายในใจเวลาจากท่านไปไม่มีหนักลึดก็ลําบากลําพังความจดจําที่ได้จากท่านเท่านั้นยังไม่พอที่จะนําไปรับผาตัวให้ทุ้มข้อสําคัญก็ให้ใจของเราได้รับความสงบพอเป็นหลักฐานทางภนันเริ่มแก่ขึ้นมาคิดขึ้นไปถึงปัญญาขั้นกลางเป็นอย่างน้อย นั่นก็เป็นปัญญาขั้นสุดยอดถ้าถึงพุ่มความหนักแน่นต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะพยุงตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยตนดับแต่ถ้าไม่มีอะไรติดๆติดใจเลยนำทางการมาศึกษาจากขั้นนั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเราและยังไม่สามารถจะจัดการตัวของเราให้พ้นภัยไปได้เราจะถูกความเสียหายในวันหนึ่งซึ่งมีเหตุอันมุนแรงมากระทบเข้า <c oughs> แต่ถ้าเป็นคนที่หาให้ขึ้นในขณะนั้นก็ได้เพราะการปฏิบัติธรรมจากท่านเป็นสิ่งที่หลุดลูนได้ง่ายๆไม่เหมือนสิ่งที่ติดแนบกับอัตตกายทั้งเราซึ่งมีค่าถูกวางไว้นอกตายของเราเป็นอย่างหนึ่งที่เราหนีพกไว้เป็นอย่างหนึ่งเงาที่เราถือไว้กับมือของเราเป็นอย่างหนึ่งเมื่อจะนํามาท้าให้ท่านท่องที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 สิ่งนี้มาจากการอบรมกับครูบาอาจารย์สิ่งหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาเลเรียนมาโดยที่เรามานั่งอบรมทางด้านจิตใจเลยซึ่งเกี่ยวกับมีดที่วางไว้นอกกายของเราธรรมะที่ได้จากการอบรมกับครูบาอาจารย์จําได้ว่าท่านสอนอย่างไรเป็นต้นเพียงเดียวกับมีดที่เราเล็บไว้ในโคของเราควรธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติ จึงเมื่อมาจากอุบายที่เราได้จากครูบาอาจารย์เครื่องเดียวกับมีดที่เราถือไว้ในมือและธรรมะอย่างนี้แลจะเป็นเครื่องรักษาความปลอดภัยให้แก่เราได้มากกว่าธรรมะทั้ง 2 ประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจึงพยายามขุดค้นธรรมะประเภทนี้ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ จึงอย่าเอาเค้าเที่ยวยึดดินของของทั้งใครๆมาช้านั่นเองพอถึงเวลาแล้วต้องส่งคืนเจ้าของเดิมส่วนสิ่งของที่เราประดิษฐ์ขึ้นหรือต่อแสวงหามาได้เองเช่นเงินทองเป็นต้นเราใช้ได้สะดวกโดยไม่มีความกังวลเกี่ยวเนื่องกับเครื่องของผู้ใดธรรมะที่รับจากท่านเป็นเหยียบให้หลงๆดำๆบางทีก็รักษาตัวไม่คุ้มเพราะไม่ทันกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพิ่ง หน้าเวลาใดก็ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะที่เกิดกับตายของเราแล้วก็จะนํามาท้าและทันท่วงทีนี้คือจิตใจที่มีรากฐานผู้มีรากจิตใจจะไปไหนมาไหนกับผู้ไม่มีรากจิตใจนั้นต่างกันอยู่มากความว่าเพลิดเพลินหรือความหมันไหวต่ออารมณ์ก็ต่างกันทุกข์สุขที่จะจึงได้รับก็ต่างกัน <c oughs> คือมีธรรมภายในใจเลยเพียงแต่ได้รับการศึกษาบนจากอาจารย์เท่านั้นไม่มาไปทดสอบอารมณ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นตาใจแต่ 3 ตั้งเท่าเท่านั้นทําให้เกิดธรรมาลมภายในใจจนหาที่เกรงลงไม่ได้ผลคือความรุ่มร้อนก็สะดอนตีขึ้นมาที่หัวใจทันทีแต่ผู้มีธรรมภายในใจแล้วสามารถจะดึกคิดแปลงอิบาต่างๆในทางปัญญาของตน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 เมื่อปัญญาก็โผฏภาพว่ามีความสําคัญเสมอกันจึงพยายามผูกคล้องในโอกาสอันควรให้เป็นคู่เียงกันไปจึงมีความเสถียรผลาดทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาจะไปที่ไหนก็พอรักษาตัวได้การระวังระวังภัยภายในภายนอกก็นับบรรน้อยลงผู้มีธรรมเป็นหลัก ภายในใจมีความกระดกต่างกันอย่างนี้แม้จะเดินทางไปในจะเดินทางไปในสายเดียวกันและกระทบเหตุการณ์อันเป็นเรื่องเดียวกันกับผู้ไม่ได้รับการอบรมสึกใจแต่รับธรรมทอดท้ําต่างกันมากเพราะอารมณ์แม้ทั้งคิดเดียวกันเรื่องที่กล่าวนี้ขึ้นอยู่กับความสงบระคอบของผู้อบรมมาต่างกันในแง่หนักเบาแห่งธรรม บกความรู้สึกเป็นหลายๆภาวะธรรมทั่วๆไปเมื่อใจของเรายังไม่ฉลาดย่อมกล้าเป็นทาสจิตตรณาแต่เมื่อใจฉลาดเต็มพอตัวแล้วย่อมเหมือนกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านจะเกิดไปที่ไหนไหนที่ทั้งหลายย่อมกลายเป็นคุณต่อพระองค์ท่านที่ไม่เป็นทาสจิตเหมือนที่เคยเป็นมา คุณเนื่องจากไปกลายเป็นคุณต่อตนเองเพื่ออํานาจของสติและปัญญาที่เคยสั่งสมมาเป็นเงินพอเราทุกๆท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโทษหน้าเป็นผู้สนใจในเรื่องสติกับปัญญาเพื่อปรับองค์ความเพียรพยายามดักตวงจนเพียงพออย่าได้ลืมนะงั้นเราก็กราบท่านต่อถ้าเป็นทุนคืออุปาต่างๆ คือได้กับท่านจะเป็นเครื่องหนุนกําลังภายในใจจงปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจแต่ผู้ไม่รับการศึกษาอุดมธรรมไปแบบนี้ปรากฏผมประโยชน์ที่ตนทุนได้รับไม่ค่อยปรากฏนอกจากจะตนไปในทางเสียหายโดยโดยมากซึ่งผู้ชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์เสียแต่อายุพันษายังน้อยโดยไม่มีคุณธรรมภายในใจเท่าที่ควร เรียกว่าในลักษณะขายก่อนซื้อข้อสั่งสอนคนอื่นมากกว่าสั่งสอนตัวเองคือนี้อย่างไรก็เอาตัวไปไม่รอดที่ถูกตั้งพยายามผุดผนตนตนเป็นที่เพียงพอเรารู้ทุกกําลังภายในใจทั้งตนว่าสมควรจะแนะนําสั่งสอนคนอื่นได้อย่างไรบ้างเมื่อการนับหมู่เพื่อนเพื่ออบรมก็ต้องคํานวณดูกําลังปฏิบัติบรรดาและความสามารถของตน ถ้ากําลังไม่พอแต่จะนับภาระมากนอกจากผู้มาศึกษาจะได้รับประโยชน์อะไรแล้วตนเองยังจะกลายเป็นคนเสียไปด้วยผมเคยทราบจากท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปราบปริยัติศึกษาของผมจริงๆสมัยที่อยู่กับท่านท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านมารับดําแม่ของท่านบวชและปฏิบัติอยู่กับท่านด้วย จึงเป็นโอกาสเคยครั้งที่มีช่องทางเข้าไปอาศัยและศึกษากับท่านเป็นจํานวนมากท่านก็ทราบมากําลังใจของท่านยังไม่เพียงพอที่จะแนะนําสอนศิษย์หมู่เพื่อนให้มีความตั้งดื้อและพยายามปลีกตัวจากหมู่คณะเสมอมาเลยหาอุปายพายโยมบรรดาของท่านไปส่งที่ตําบทอุบลน่าจะทันนับแต่ว่าควร <c oughs> รับยมมนตรามาบวชอยู่ด้วยเป็นเวลา 6 ปีเมื่อรู้สึกครั้งนี้แล้วจึงทะยงมรรดากลับกลับบ้านตามภูจังหวัดนครพนมกรุงตรงที่พัดลืมเดินทางไปดูลำดับและพักบ้านให้สายอำเภอคํากระอีช่วงคราวแล้วท่านไปถึงอุบลพอทรงยมมนตราถึงบ้านแล้วจึงตรงโอกาสให้ท่านได้ปฏิบัติธรรม ไปดูจังหวัดเชียงใหม่ 51 ปีท่านเจ้าคุณพระธรรมจริยวัดโพธิ์ที่สมพรอุดรธานีคุณปาราชธรรมาท่านจากจังหวัดเชียงใหม่มาพระธรรมสังฆาอยู่ที่อีก่อนองค์ท่านจึงได้ปรากฏแก่พี่น้องชาวอุดรนั่งหลวงค่ะนั่งพระคุณนครนั่งเมื่อมีกราบไหว้ท่านโดยผู้นำกันเลยมาท่านมาพระธรรมสังฆาอยู่อุดร 2 ปี พระตุกข์นคร 8 ปีได้อิศราสั่งสอนพระมินทธาให้ฝึกความสามารถตลอดมาจนถึงวันท่านมรณภาพไปด้วยความสงบเป็นที่น่าร่วมไห้อย่างนี้ไม่เคยแปลกถึงเรื่องกําลังพอหรือไม่พอครูก็แสดงให้เห็นได้ว่ากําลังของท่านเพียงพอทั้งภายในใจและอุปบาทต่างๆที่ท่านนํามาตั้งใจ ตุงนมัสเป็นคติตัวอย่างอันดียิ่งแต่ผู้สงสัยมุ่งนำเดินตามไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเราทุกท่านควรตระหนักใจตลอดกาลและควรทราบไว้ว่ากําลังภายในใจเป็นสิ่งสําคัญมากไม่ง่ายๆว่าทั้งเราคนญูฑะคือการพุทผลเพื่อแก้ไขตนเองทั้งอภะคือการสั่งสอนหมู่เพื่อนซึ่งต่างก็กําลังตกอยู่ในความ หรือปล่อยอาหารก็เป็นธรรมะด้วยกันทั้งเราก็กําลังรับทานทั้งจะแบ่งให้มีเพื่อนรับทานถ้าของมีน้อยก็หมดไปเสียจากเราและมีเพื่อนก็ขาดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายจึงควรทราบเรื่องกําลังไม่เพียงพอไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีและหนอนใจสําหรับภูมิม่วงตนแดนทนทุกข์เมื่อทราบว่าตนยังบกพร่องที่ตรงไหน รีบแก้ไขดักแดงทันทีสถานที่สงัดวิเวกคือสนามไพรของพุ่มมืดเกิดภราดในตัวเองจมจิตเพื่อนตัวเองในที่แห่งนั้นเมื่อนายไทยคณะเป็นที่พอใจแล้วองค์นําธงไทยคือวิราโคนิโรโธนิพพานังเข้าสู่วงโมกข์พลัดด้วยความองอาจในหลักความจริงที่เป็นได้ไปจากกัปตันมา เสร็จการนี้ขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งต้นทุกข์ทุกข์เกี่ยวแก่มาแต่น้อยทั้งจะเป็นที่ภาคภูมิใจกับเอ็งและทุกท่านที่เข้าไปรับการศึกษาสําหรับท่านพระอาจารย์มั่นท่านสมบูรณ์คุณธรรมที่กล่าวนั้นทรงสามารถสั่งสอนมรรดาศิษย์ผู้ไปศึกษาให้ได้รับผลประโยชน์เป็นจํานวนมากกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นไปได้ แต่คนมีเป็นมันมากมีนิสัยต่างๆกันคุณเป็นที่หนักใจจากการสั่งสอนอยู่ไม่น้อยแต่พอผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่แล้วก็สอนง่ายๆทั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างเต็มที่จนสามารถทูลตามถึงตามท่านในหลักมีลักษณะอาจารย์ถึงไหนลูกศิษย์ก็ถึงนั้นอย่างนั้นก็มีแต่จํานวนน้อย เราลงมาก็พยายามฝึกฝนข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจตามปฏิปันนาของตนยังนับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนและยังพัฒนาต่อไปแต่ที่คอยจะทําลายตัวเองโดยไม่ยอมรับเหตุผลคือข้ออกุศลธรรมจากการทะเมียดพิษษาเลยก็มีเป็นจํานวนมากทั้งนี้เป็นเรื่องที่เดือดอิสัยควรถือว่าดีกับทั่วเป็นของคู่กันประจําโลกจะไม่เป็นพ่อกังวลให้หนักใจจิตเลย สมมัยของอาจารย์ที่มาแนะนําสอนพวกเรานายมารู้ความฉลาดและเพียงพอว่าตวงดูกําลังของตนเทียบกับธาระที่เป็นนํามาแบกถามถ้าความฉลาดเราพอไม่เพียงพอเราอาจจะล้มตกไปตามเขาเช่นเดียวกับคนตกน้ําเราไปเทื่อเขาด้วยความโง่เราอาจจะล้มจนไปกับคนตกน้ํานั้นก็ได้ <c oughs> ดังนั้นผู้มาอยู่กับอาจารย์มีหน้าที่กับพยายามดักตวงความเพียรให้ได้ปฏิปัญญาเต็มความสามารถเท่านั้นแม้จะจากท่านไปต้องเข้าหาที่เคยสงัดที่เยี่ยมและติดต่อความเพียรเสมอไปไม่เป็นทรงยมกับคุณใดๆมีเป็นกับธรรมคือความเพียรต้องไปอยู่ในยามบททั้งหลายไม่ขาดไม่ขาดตอนและไม่เสียเวลา แต่ก็ติดตามนี้ดีเมื่อมีข้อสงสัยในธรรมเกิดขึ้นพึงมาศึกษากับท่านอย่าเดินเหินหรือทําไปตามอตนุมัติของตนจะผิดทางอย่างน้อยก็นินทาอย่างมากก็ทําตัวให้เสียเพราะความละเอียดแห่งธรรมไม่พึงผิดดูกับท่านผู้ดังโปรดทําไว้อย่างนี้ เราไม่ต้องไปติดกับคําพูดจาติอย่างอะไรยากซึ่งเห็นหน้าไม่ผิดจารกับพระธรรมวินัยแล้วตรงผิดผลเหตุผลเป็นของสําคัญแม้เรามาศึกษาเพื่อธรรมะอย่านําโลกเข้ามาด้วยการนําโลกเข้ามาด้วยนั้นเป็นเรื่องให้เกิดความกระทบกระเทือนภายในใจของตนเองอย่างน้อยต้องกระเทือนตนเองอย่างมากก็กระเทือนหมู่เพื่อนด้วยกันคําว่านําโลกเข้ามา พูดได้ว่านําคิดผิดมานักนั่นเองถ้านําธรรมะเข้ามาต้องเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลเห็นก็ดีได้ยินก็ดีต้องน้อมเข้าเทียบกับหลักเหตุผลเสมอไปถ้าถูกต้องกับหลักเหตุผลแล้วคือว่าเป็นธรรมรีบยึดมาเป็นเครื่องสอนใจจนทันทีเมื่อเป็นผู้ใกล้ต่อการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพียงนี้แล้วเรื่องศีลไม่ต้องว่า คือรักษาทุกวันด้วยความใคร่ต่อหญิงของตนจึงต้องมีความบริสุทธิ์เสมอไปสมาธิเมื่อได้รับการกดขี่บังคับด้วยสติปัญญาอยู่ทั้งหมดแล้วยังไงต้องเป็นไปเพื่อความสงบสิ่งสําคัญคือเรื่องของสติต้องตั้งไว้ตลอดเวลาในเรื่องของปัญญาก็ต้องค่อยคลวยเมื่อสติจับไว้ ปัญญาต้องทุกขณะที่คลายหรือปักปันอย่างนี้เสมอไปฌานทั้งหมดก็ต้องเป็นไปในจิตโดยไม่ต้องสงสัยถ้าใจไม่มีความสงบเลยคุณค่าของการภาวนาไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่ขาดไปอย่างนั้นเองต่อไปความทุกข์เหลือกที่คลานเข้ามานั่งอยู่บนที่สักคือหัวใจเสียแล้วความเพียรก็ล้มละลายหูก็กลายเป็นฝูงไปเสียสมาธิก็กลายเป็นความ คุณไม่มีความสงบได้และปัญญาเลยกลายเป็นความแก้เผาไปโดยไม่รู้ตัวถ้าความเกลียดชังได้เหยียบย่ําที่ตรงไหนแล้วเพลิงซากประทีนั้นต้องแหลกละลายทุ่งเดียวกับไฟถ้าลงได้ไหม้หรือเผาอะไรแล้วต้องแหลกละเอียดไปหมดแม้แต่เหล็กแข็งๆก็ยังละลายไปได้เพราะอํานาจของมันเรื่องของความที่เกลียดที่ข้านเหมือนกันทั้งนั้น เพื่อตนันตามที่เราจะตัดสินใจว่าเพื่อกตัญญูมีความลึกซึ้งยากได้เพียงใดขอให้ทําตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงกําสอนไว้ท่านปรนอย่างไรให้กําหนดกับเจตเหตุนั้นไว้แล้วนําไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรมีอิทธิบาท 4 ตรงเครื่องทะยงความเพียรทุกประเภทคนท่านทั้งหลายจะได้รับเองขึ้นให้ตั้งสติ และบังคับปิเตเท่านั้นดูกับความเปลี่ยนที่เกิดอาการทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ท่านย่อมมีอาการ 32 ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นที่เกิดนายที่ในอาการเหล่านี้ด้วยสติเป็นเครื่องบังคับอย่างไรสมาธิต้องปรากฏขึ้นมากรรมว่าสมาธิคือธรรมตั้งมั่นของใจนั่นเองใจเริ่มสงบก็เริ่มจะเป็นสมาธิเมื่อติดเป็นสมาธิจะเป็นขั้นใดก็ตาม นั่นเลยผลได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วว่าคุณค่าของศาสนามีเท่าไหนและคุณค่าของความสงบก็ปรากฏให้เราทราบประจักษ์เข้าไปแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มปึ้งโตในความคิดโตให้เสมือนคล้ายซึ่งติดตึงอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยับยั้งเช่นเดียวกับคนจักที่เขาเปิดร้านในโรงงานต่างๆไม่มีเวลาวันปิดทั้งนั้นใจเริ่มสงบก็เริ่มเป็นสุข ถ้าเดินทางก็เริ่มกระทิงร่วมไม้และและท่าน้ําเพื่อการพักอาบดื่มสมานหายเหนื่อยในระหว่างทางแล้วต่อไปเริ่มขุดค้นด้วยปัญญาให้เป็นคู่เพียงกันไปคนแล้วคนละคนเล่าเหมือนเขาขุดดินสืบคาดน่ะค่อยกลับไปกลับมาจนมูลถัยมูลคลาดละเอียดแล้วก็เฉพาะกรูกหรือปักดําก็ควรถ้าก็รู้จริง ปุ๊กก็งอกงามดีใคร่ชอบปัญญาค่อยควนกลับไปกลับมาไม่หยุดยั้งเพราะนั้นแลใจได้รับปุ๋ยคือความเลือดเปียนพึ่งภายในใจทั้งตําราก็ค่อยควนอยู่ตลอดเวลาเพราะอํานาจแห่งความเคยกินทั้งการตั้งสติทั้งสมาธิก็เป็นประเด็นสนับสนุนเสมออยู่ที่ไหนก็เพลินเช่นเดียวกับเกิดถีเทินในเวลาได้ทั้งเปตแม้กํา กำลังนั่งรับฐานอยู่พอเห็นลูกค้าเดินผ่านเข้ามาหน้าร้านเท่านั้นเขาต้องลุกจากที่ทันทีเพื่อความประสงค์อะไรจากลูกค้าที่มาติดต่อเมื่อสื่ออึกความลงแล้วก็คือเงินนั่นเองมีผู้เลื่อนก็เป็นสิทธิภายในใจคือสิทธิธรรมะต้องเป็นผู้เพียบเทินในความเปลี่ยนของตนอยู่เพียงนั้นตัวตัวเท่าสู่ที่สงัดเท่าไหร่นี่คือ ตื่นออกจากแห่งคณะและเสื่อมทนไปเท่าไหร่ยิ่งเกินพฤติก็ตามอื่นก็ตามเรื่องของการยิ่งเพลินต่อการตั้งสติเพลินต่อการค้นคิดด้วยปัญญาเพลินต่อการแก้ไขจิตใจทั้งตนโดยลําดับวันเหลือกไร้กับยิ่งเลย 4-5 ชั่วโมงคืนหนึ่งคล้ายกับยิ่งเพลิน 3-4 ชั่วโมงข้อจิตถ้าได้คิดไปถึงระยะเวลานาฬิกาที่ไหน เป็นด้วยแต่ความเกิดธรรมดับของสภาวะธรรมที่มีอยู่รอบได้และประจักษ์ตนตามหลักของจริงอยู่ตลอดเวลาโดยสติปัญญาซึ่งเคยอบรมมาเป็นเครื่องพอแล้วมีจิตมาถึงขั้นนี้แล้วต้องเกิดที่แรกก็ต้องถูไถต่างๆกดดูบังคับกันต่างๆจนเดียวก็ถามบังคับที่ต้องหาที่มีโทษหนักเท่านั้นมีได้จังหวะและเห็นความสามารถของสติสัญญาแล้วยิ่งเกิด นั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินไม่เสียแต่หลับเท่านั้นตื่นขึ้นก็จับสติกับปัญญาเข้าประกอบกับองค์แห่งความเปลี่ยนทันทีไม่เอือมอายเนืองนานให้เสียเวลามีสติปัญญาประจําตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวจึงสามารถแก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะอํานาจของความเพียรไม่ละใจที่เพ้ออยู่ได้อํานาจเพ้ออยู่ใต้อํานาจ สงครามมณฑาของทีเบตมานันก็กลายเป็นอิสระขึ้นมายังมีเรื่องของตัวเองโดยตลอดไม่มีลิ้นสุคนธทุกประเภทที่เคยตั้งบ้านเรือนอยู่บนหัวใจมีอนุธาผู้เหลืองอํานาจในไตรภพเป็นผู้ครองวัฏจักรก็ได้ถูกทําลายลงด้วยมรรคขยายอันเป็นดาบทันสมัยใจได้กลายเป็นวิปัสสนาขึ้นมาในขณะนั้นพระมรรคจันท์ซึ่ง ปรากฏขึ้นจากแดนแห่งวิมุตติไม่ถอนกระจายกระทุจสันนภาพร่างกายและจิตใจโดยตลอดในขณะวิมุตติวิมุตติขึ้นเบื้องอำนาจอย่างเป็นธรรมทำหน้าที่ปลดลอยสภาวะธรรมที่ถูกอวิชชาบังคับตรงตามไว้ให้ลดน้อยขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระของตนตามลําพังนี้เกิดภาวะความเสมอภาคเข้าทั่วถึงกันหมดความดำเนินติดทนในสภาวะธรรมทุกประเภท เราก็เป็นดลโดยด้วยความเป็นเต็มธรรมในสภาวะทั่วๆไปความเป็นทั้งนี้แลจะอุทธานขึ้นมาภายในใจว่าทุกขังวตทุกขมตะโกรธจะได้กล่าวออกมาทางวาจาต่อบุคคลหรือสถานที่ต่างๆเขาจะหาว่าบ้าฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงไม่พูดเถร้ามในที่ทั่วๆไป <c oughs> ก็ท่านฉลาดในสถานที่บุคคลและการเวลาที่จะเคลื่อนทุบหนักน้อยทั้งท่านเจอโลกบ้านนำหลายขึ้นไปขึ้นมาถึงก็ต้องหาว่าบ้านนำหลายก็มีมากหลายเราอยากให้เข้ากับบุคคลที่ถูกต้องหานี้เพราะเราศึกษาและปฏิบัติด้วยความฉลาดทั้งฉลาดทั้งภายในฉลาดทั้งภายนอกและแก้ได้ทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอก แต่เป็นสุขโตไม่เป็นคนขวางโลกไปที่ไหนไม่มีใครไม่มีเหตุคิดไปไหนก็ไม่ติดไม่ข้องโลกดุถึงทัดทั้งโลกใหม่คือเรื่องของตนเองทั้งลูกนอกคือสภาวะทั่วตัวทั่วๆไปซึ่งจะควรปฏิบัติต่อเขาโดยถูกต้องคือผลแห่งการปฏิบัติถ้าลงเล็กตั้งหน้าธรรมด้วยความพยันหมั่นเพียรและสนใจจริงๆแล้วผลผลต้องเป็นอย่างนี้แน่นอน นั่นก็ไม่มัดไม่ต้องสงสัยขออย่างเดียวคืออยากต้องการผลผลถามก็แล้วกันความขี้เกียจที่ครานเป็นตัวก่อเหตุให้การงานที่จะได้รับผลล้นละหลายไปทันทีฉะนั้นจงอย่าเอาความเกียจคร้านความท้อแท้อ่อนแอเข้าไปทํางานด้วยจะไปทําลายงานของเราให้แหลกไปหมดไม่มีอะไรเสืออยู่